บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยาแห่งสัพโลกเกะนาปิระตาสัญญาคือการกาหนดหมายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกไม่เป็นสิ่งที่ควรแก่การยินดี ก็ได้กแก่การพยายามมองความจริงของโลกพาความจริงของโลกเป็นอย่างไรก็มองให้ไปจากชัดในขณะนั้นๆเพื่อจะได้เข้าใจโลกอย่างท่องแท้อย่างน้อยที่สุดก็ปฏิบั ต, ติตัวในถูกต้องเหมาะสมแก่กรณีนั้นๆจนสามารถถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัด ความคัดเครื่องหรือความรุ่มหลงในโลกลงไปดการมองในลักษณะนี้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของบุคคลผู้มองว่าจิตใจของเขามีพื้นฐานที่เป็นกุศลหรืออกุศลอยู่และกุศลหรืออกุศลเหล่านั้นเองที่ท่านเรียกว่าเป็นเจตสิกก็จะเกิดเกิดขึ้นปรุงจิตให้คิด ไปในลักษณะนั้นๆจึงมีการกำหนดหมายอารมณ์ในจุดเดียวกันแต่ว่ากำหนดหมายต่างกันเพราใจของบุคคลต่างกันดังนั้นพระพุ้มีพระภาคเจ้าจึงส่งแสดงสุภาษิตโดยสรุปว่าเธอทั้งหลายจงมันมองดูโลกนี้อันตรการดุดราชรัส คือทรงยอมรับว่าโลกนี้มีความวิจิตรการตาหลากหลายไปได้วยสิ่งต่างๆเป็นนั้นมากสุดที่จะพัฒ น, นาได้แม้ในจุดใดจุดหนึ่งเราก็พันานา ห, หมดสิ้นดต่ยากแต่ในความเป็นโลกอย่างเดียวกันนั้นเองคนหนึ่งรู้ตามความเป็นจริงคนหนึ่งไม่รู้ตามความเป็นจริงเรามองโลกได้แตกต่างกันจึงทรงใช้คาว่า ที่คนไม่รู้คล่องติดอยู่ในโลกเล่านั้นแต่ผู้รู้ไม่ได้คล่องไม่ได้ติดอยู่ในโลกนั้นโลกเดียวกันนั่นเองแต่พื้นฐานทางศีลธรรมและทางคุณธรรมของบุคคลแตกต่างกันและมองในจุดเดียวกันแล้วก็ให้เกิดความคล่องความติดสาหรับคนที่ไม่รู้ความจริง และกะจัดความคล่องความติดออกไปสาหรับผู้ที่รู้ความจริงแต่ในที่นี้ทรงสอนให้มองสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกดินกายใจในแง่ที่เป็นจริงอย่างที่เราเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือการมองเข็นแจมแจ้งตามความเป็นจริงแต่การพัฒนาพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลในชั้นนี้ ที่จริงก็ทรงสอนมาตั้งแต่ต้นๆย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าธรรมะปฏิบัติที่ทรงสอนไว้ทั้งหมดนั้นเป็นเหตุปัจจัยของกันแลกกันคือจะสนับสนุนส่งเสริมกันทางด้านดีและด้านไม่ดีแม้ในกฎแข่งกรรมที่ท่านทั้งหลายได้เคยศึกษามาเราจะพบว่าตัวชนกกรรมคือกรรมที่สร้างให้คนเกิดมานั่น เป็นกรรมชนิดใดก็จะมีกรรมพวกหนึ่งซึ่งเป็นพวกเดียวกันค่าอุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือตกต่ำมากยิ่งขึ้นตามสมควรแก่กรรมเช่นกุศ ล, ลกรรมแต่งให้บุคคลเกิดมาดีและจะมีความดีในส่วนอื่นๆเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทาให้บุคคลประเภทนั้นดยียิ่งขึ้นไป อางที่ทรงจำแนกประเภทบุคคลฝ่ายนี้เอาไว้ว่าสว่างมาและสว่างไปคือรุ่งเรืองทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและก็ที่สุดเพราะมีกุศลกรรมส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเ น, นื่องซึ่งอันที่จริงก็เป็นสูตรของกุศลซึ่งทรงแสดงไว้ว่า กุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นที่ไม่บังเกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็อยู่ในสูตรเดียวกับการใช้ชีวิตประจําวันของบุคคลทั้งหลายถ้าเราเริ่มต้นจากจุดที่สะอาดเช่นอาบน้ํำชำระร่างกายให้สะอาดต่อจากนั้นจิตมันจะเรียกร้องสิ่งที่สะอาด เดวร้องหาเสื้อผ้าที่สะอาดเครื่องตกแต่งให้เกิดความสะอาดสถานที่ดั่งที่อาศัยที่ไปที่อยู่ก็จะสะอาดตามไปเลยเพราะว่ามันเริ่มต้นที่สะอาดในฝ่ายอากุศลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าอากุศลเกิดทาหน้าที่ปรุงจิตให้บุคคลในอุบัติในกำเนิดที่ตกต่ำอากุศลใน้ทรนองเดียวกันก็จะส่งเสริมสนับสนุน ให้ตับมากริ่งๆิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นประเภทชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่ทรงแสดงไว้คือมือดมาแล้วก็มืดไปหมาความว่าเกิดขึ้นมาด้วยผลขององกุศลกรรมอกุศลกรรมไหลต่อเนื่องกันมาก็ทำให้เขามืดปอดในช่วงกลางแล้วก็ช่วงสุดท้ายกลายเป็นผู้มืดมาแล้วก็มืดไปแม้แต่จากโลกนี้ไปแล้วก็ไปบังเกิดในทุกขติ สิ่งคงอยู่ในสูตรเดียวกันดังที่กล่าวแล้วก็คล้ายๆกับเราเริ่มต้นที่สิ่งสกปรปกอาจจะตกลงไปในหลุมในโคลนส่วนใดส่วนหนึ่งอาจจะเท้าตกไปข้างหนึ่งแต่ทําไปต่อมาเท้าที่สองอาจจะตกไปด้วยหรือมือก็าอาจจะแปดเปื้อนตามไปอวัยวะส่วนอื่นก็จะแปดเปื้อนตามไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของบุคคลนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจริงของจุดเริ่มต้นในจุดนี้ก็ทรงกระสูตรของอกุศลที่ทรงแสดงไว้ว่าอากุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่บุคคลให้เกิดขึ้นแล้วอกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มปูดมากยิ่งขึ้นให้ลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ของตนเองหรือของบุคคลอื่นก็ได้ฉันเริ่มต้นด้วยความขุนใจความไม่พอใจถ้าแกลดลงไปมันก็เกิดขึ้นได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามีเงื่อนไขมีปัจจัยกระตุ้นเร่งรา้าสมมติ ว, ว่ามีคนคนหนึ่งกระทำให้เราไม่พอใจแล้วเราขอร้องเราตักเตือนแกไม่ยอมหยุดการกระทำเหล่านั้น ปริมาณความไม่พอใจก็สูงขึ้นอาจจะออกมาทางเบลตาออกมาทางอาการกริยาหรืออาจจะออกมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นการทุบจีกันหรือเป็นการปราดปรานกันจนถึงกับเป็นการฆ่ากันนั่นคือการเพิ่มขึ้นของความโกรธมันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยโดยมีตัวเร่งมาจากข้างนอกแม้แต่ความรักหรือความโลภ ก, ก็มีลักษณะเดียวกัน ด้านการสอนในที่นี้ทรงสอนสองตอนอย่างที่เคยบอกท่านสาธุชนทั้งหลายเอาไว้อยู่เสมอว่าธรรมะปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของอริยสัจแล้วจะทรงแสดงยังไงก็ตามจะไม่รอดพ้นอริยสัจไปเพราะอริยสัจนั้นเป็นกฎที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเอาไว้ในที่นี้ให้สังเกตว่าสิ่งต้งปลูกนั้นไม่น่ายินดีอยู่โดยสภาพ เพราะแท้ที่จริงแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยของแกแก เ, เคยเป็นยังไงแกก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปทัานเรียกว่าเป็นสามั ญ, ญลักษณะหรือลักษณะที่เหมือนกันหมดเลยก็สังขารทั้งหลายไม่ว่ายาไม่ว่าละเอียดไม่ว่าประณีตว่าเลวว่าดีหรือว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้หรืออดีตอนาคตหรือปัจจุบันมันก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นนั่นเอง ตัวอย่างว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็เดินทางก็สู่ความแก่ความตายที่ส่งใช้คำว่าเป็นสภาวะทุกข์คือทุกตามสภาพของสิ่งเหล่านี้เขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่างนั้นเองเราเกิดมาสู่กระแสเดียวกับเขาเราก็ตกอยู่ในสภาพนั้นในเมื่อแกเป็นอย่างไงแกก็เป็นก็แกอย่างนั้นดังนั้นจึงกลายเป็นพวกนี้ก็คือกลุ่มของทุกขกษัตริย์ แต่การสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นว่าไม่น่ายินดีนั้นเป็นอาการของมักกะสั์แล้วก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาสอดส่องลงไปว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีมาแต่ก่อนตัวอย่างเช่นไปพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้าวในครั้งแรกเราจะไม่มีทั้งความรักและความสัง หรือรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่การจะรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจนั้นมันจะเกิดในช่วงหลังตัวอย่างเช่นมีคนเอาขอ ง, ของชิ้นหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้าครับแตอนแรกก็มองเฉยเฉยไม่สนใจอะไรต่อมาเมื่อคนที่นำของมาวางนั้นอธิบายสิ่งเหล่านั้นคุณภาพของสิ่งเหล่านั้นในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ถ้าเราเกิดยอมรับว่าสิ่งเหล่านั้นดีความพอใจความยินดีความอยากได้ความต้องการก็จะเกิดขึ้นติดตามมาทีนี้ถ้าเขาเร่งกระตุน้นเขาเรียกว่ายั่วยุได้ดีดัวยวนได้ดีไอ้กิเลสที่ภายในใจมันก็ฟูขึ้นมารับไปื่อยเมื่อกิเลสแกลังไหลไม่ขาดสายมาปริมาณแกก็มากขึ้น คล้ากับน้ําที่ไหลมาไม่ขาดสายปริมาณน้ําก็เพิ่มขึ้นปริมาณกิเลสที่หลั่งไหลไม่ขาดสายมันก็กิเลสก็เพิ่มขึ้นธรรมะที่หลั่งไหลไม่ขาดสายธรรมะก็เพิ่มขึ้นความรู้ที่หลั่งไหลไม่ขาดสายความรู้ก็เพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มขึ้นทั้นั้นเพราะในกรณีนี้จึงมีการกําหนดหมายตามความรู้สึกที่ถูกปรุงในขณะนั้นอาจจะชอบก็ได้อาจจะไม่ชอบก็ได้ก็แล้วแต่ตัวเร่งที่เกิดขึ้น มันจะดูดอวัยออกมาจากใจคนใจคนนั้นเป็นที่หมักหมมเป็นที่สะสมทั้งส่วนดีและก็ส่วนไม่ดีเพียงแต่ท่านเรียกแตกต่างกันดังนั้นเองแต่ว่าลักษณะก็คือสะสมถ้าฝ่ายกิเลสท่านเรียกว่าอาสวะคือสะสมหมักหมมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้แต่พอดีกันนอนสงบอยู่ภายในไม่ค่อยผูขึ้นมาข้างนอกถ้าไม่มีตัวเร่ง มาจากข้างนอกแกไม่ฟูกขึ้นมาแล้วท่านยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุัยคือมันนอนเนื่องมันสงบอยู่ภายในใจเราอจจะดูตัวอย่างเช่น ง, งูเวลาแกนอนหรือสัตว์เวลาแกนอนหรือแม้แต่เราเองเวลานอนหรือถ้าไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีความหิวเสียดแทงไม่มีความจาเป็นเสียดแทงเราก็นอนเฉย แต่พอมีความหิวเสียดแทงถึงมีความจําเป็นเสียดแทงือบอกให้ลุกขึ้นต้องไปทํางานต้องปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ลุกขึ้นอกิเลสที่อยู่ภายในใจหรือแม้ธรรมะที่อยู่ภายในใจก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าธรรมะทันทีกับบารมีคือาการเก็บการสะสมความดีเอาไว้เฉพาะในที่นี้เราจะพูดถึงสายของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มองสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นเรื่องที่น่ายินดี คือไม่ใช่สิ่งนั้นเป็นตัวกําหนดแต่ว่าใจคนเป็นตัวกําหนดเพราะถ้าสิ่งนั้นเป็นตัวกําหนดได้เกิดความยินดีแสดงว่าทุกคนก็ต้องยินดีในสิ่งเดียวกันแต่ก็จริงแล้วก็ไม่เป็นเช่นนั้นในขณะที่คนหนึ่งยินดีคนหนึ่งอาจจะไม่ยินดีคนหนึ่งอาจจะเฉย ๆ, ๆคนหนึ่งในความยินดีนั้นอาจจะยินดีมากยินดีน้อยหรือยินดีอย่างรุนแรงจนต้องเอาให้ได้ที่สํานวนปัจจุบันเราพูดกันว่าแพ้ไม่ได้ คือแสดงว่าเป็นความอยากที่แรงแล้วไม่ยอมให้คนอื่นยื้อแย่งไปถ้าตั้งเป้าขึ้นมาขนาดนั้นหมายความกิเลสสายโลภะก็แรงเพราะกิเลสสายโลภะแรงและเห็นใครเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ตนสิ่งทาให้ตนอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนอยากได้ก็จะเกิดโกรธในบุคคล น, นั้น จนถึงก็มีมการฆ่ามีการทำลายล้างกันอย่างในกรณีเลือกตั้งในส่วนต่างต่างของโลกเราจะพบว่าหัวคะแนนเนี่ยถูกฆ่าไปเป็นนั้นมากแต่ผู้สมัครคู่แข่งขันที่มีคาว่าคะแนนจะเด่นแล้วไปเจอกับคนที่บอกว่าตรงนี้แพ้ไม่ได้ก็จะถูกฆ่าไปที่จริงมันเริ่มด้วยความโลภความหลงแต่ปริมาณของความโลภความหลงแก็บมากมมากขึ้นไปแล้วกระทบไม่ได้แก่ก็กลายเป็นความโกรธโกรธก็ออกมาในรูปปั้ทุจริตซึ่งหมายความความหลง ก, ก็สูงขึ้น ความโกรธ ก, ก็สูงขึ้นความโลภ ก, ก็สูงขึ้นพฤติกรรมในทางล่างผรานก็เกิดขึ้นนั่นคือตัวเร่งที่มันมาจากข้างนอกผู้ตัวเร่งเหล่านี้ทรงสอนเฉพาะในที่นี้จะได้โปรสังเกตว่าทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงองค์ธรรมไปเรื่อย เ, อยเพื่อให้เห็นบางคนก็มองเห็นจุดนี้ได้ชัดก็มองจากจุดนี้ คนหนึ่งมองจุดนี้ไม่ชัดก็ไปมองจากจุดอื่นก็คล้ายๆกับเรามองทิวทัศน์อะไรในที่ใดที่หนึ่งคือเราเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเพื่อดูมันชัดสําหรับเราเองจต่เราอาจจะต่ําไปหรือที่ยืนเราไม่เหมาะเราก็หาที่ที่ที่ช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องความต่ําของเราเพื่อมองสิ่งเหล่านั้นชัดเะการมองธรรมะหรือการศรึกษาธรรมะก็ทรงยักย้ายไปอย่างนั้นเองเป็นการ เสนอแนะหลายแนวทางให้คนมองเห็นความจริงแต่ว่าถึงความจริงมันก็เป็นความจริงเนี่ยคนเราจะพบเหมือนกันเช่นสั้นจังของสมาธิคือความสงบเมื่ อ, มอสมาธิเ ก, เกิดขึ้นกามฉันสงบทะถึงจุดนั้นทุกคนก็เหมือนกันหรือไปถึงปสดาวันปะสะกิตาคาะานาคามันก็เหมือนกันคือไปเหมือนกันที่ตอนปลายไม่ได้เหมือนกันที่ตอนต้น ตอนต้นนั้นคนจะมาทางไหนก็ได้ก็สําคัญว่าไปพบกันที่ปลายทางกันเองเรื่องนี้จึงเป็นอุบายวิธีที่ยายบุคคลมองเจาะลึกลงไปถึงพื้นฐานที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคือสิ่งที่เรียกว่าอนุสใสจะแนกแสดงไว้เป็นเจประกาศอะไรกันแต่พึงสังเกตว่าอนุสใสทั้งเกตประการนั้นจริงๆแล้วก็คือความโลภความโกรธความหลงที่อ่อนลงไป มิรักษาเหมือนตะกรอนนอนข้นพัดชนะคือปกติถ้าสถานการณ์ปกติมันก็ไม่มีอะไรก็ก็อยู่ข้างแก่อย่างนั้นเองน้ำข้างบนก็ใสสะอาดคนดื่มได้บริโภคใช้สอยได้แต่ถ้ามีใครมากระแทกเช่นเราตุ่มน้ําใครมากระแทกตุ่มแรงๆไอ้ตะกรอนมันก็ขึ้นมาถ้ากระแทกไม่แรงมันก็ไม่ขึ้น ซึ่งท่านสาว า, าทุชนทั้งหลายจะดูพูกอนุสัยกันตัวเองได้ว่าบางทีมันขึ้นมาบางทีไม่ขึ้นเช่นในเช่นการมราคานอนุสัยอนุสัยคือความกำนัดความรักใคร่ความพอใจความยินดีซึ่งอยู่ภายในใจแต่มันสงบอยู่ภายในใจ ล, ลองลองดูจิตใจตัวเราว่าเรามีความกำนัดรักใคร่แบบยินดีไปทุกสิ่งทุกคนทุกอันหรือไม่ก็เปล่าปัญอาเราก็เฉย บางอย่างเราเห็นคนชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเราสงสารเขาด้วยซ้ำไปจะเด็นคนสนุกสนานด้วยการเล่นการพนันด้วยการสนุกสนานรื่นเริงปล่อย ป, ปล่อยการเวลาไปผ่านพ้นไปโดยไม่ทำประโยชน์อะไรเราสงสารเขาเพราะอารมณ์อย่างเดียวคนกลุ่มหนึ่งกาลังสนุกสนานกันแต่พอเราไปเห็นเขาเราเกิดสงสารเขา แสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งนั้นกระตุ้นกา ร, รมราคานุสัยให้เราไม่ได้แต่บางอย่างกระตุ้นได้ไปเห็นสร้อยไปเห็นเครื่องลายครามไปเห็นแหวนเพชรอะไรแต่ไหนบางทีก็กระตุ้นเราได้แต่บางอย่างกระตุ้นไม่ได้ทุกเรื่องไปท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับในกา ร, รมราคานุสัยของเรานั้นสะสมในสายไหนไปบ้างมันก็มีจุดอ่อนในด้านนั้น การทำนองเดียวก็ร่างกายเราคือมีมันมีเชื้อโรคในด้านไหนอยู่มากกเราจะอ่อนไหวในเรื่องเหล่นั้นถ้าในสายนี้กระทบกระทั่งนิดหน่อยมันก็อาจจะป่วยขึ้นมาไดา้เรื่องจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพวกนี้ถ้าไม่มีตัวกระแทกจากข้างนอกไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีกิเลสแต่มันไม่เกิดขึ้นมาเพราะไม่มีตัวกระตุน้น ดนอารมณ์ในปกติในชีวิตประจำวันของเราจึงอยู่ได้อย่างเฉยๆก็มียินดีอยู่ในกุศลธรรมก็มีหรือตกไปสู่กระแสของกิเลสก็มีขึ้นอยู่กับตัวเร่งจากข้างนอกในที่นี้จะกล่าวถึงพวกปฏิฆานอนุัสอันุัยคือความไม่พอใจปฏิฆานั้นตั้แปลว่าความโกรธคือมันโกรธอ่อนๆนะเป็นความหมุดหงิด เป็นความรำคาญเพราะว่าเป็นการพูดถึงปริมาณกิเลส ท, ที่ไม่แรงกันกิเลสสายโทสะนั่นแหละแต่ไม่แรงไม่แรงจนถึงก็โกรธเปรี้ยงปัังด่าว่าทุกทีทะเลาวิวาดกันมันไม่แรงขนาดนั้นเพียงแต่รู้สึกขุนขุใจกระงแสดงอาการเช่นอารติเกิด ค, ความไม่ยินดีไม่ยินดีเสียงนั้น แต่ก็นั่งควางได้นะเด็ก ใ, ใจมันไม่ยินดีหรอกนั่งทนอยู่ได้หรืออาหารนี้เราไม่ยินดีเกิดแต่กรับประทานได้ไม่ถึงกับปฏิเสธครมครามเห็นว่าถ้าโกรธมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทุบทุบทิ้งรถหนีเราผลักเาทำลายได้อันนี้แสดงว่าความรู้สึกมันแรงไปตอนนี้ไม่ถึงกับแรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้สึกไม่ไม่ยินดี ถ้าตัวเร่งจากข้างนอกมนมากขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงทางกิจสูงขึ้นกลายเป็นความหงุดหงิดเรียกเรียกปวงกุกจจะคือความรําคาญและถ้าเร่งมากยิ่งขึ้นมันก็กลายเป็นความกระทบกระทั่งทางใจคือหงุดหงิดอันนี้เป็นอาการของของของปฏิฆะท่าเรียกว่าเป็นปฏิฆะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเร่งมากามันก็กลายเป็นโทสะกลายเป็นความโกรธความมาทุศร้ายการรังฐานกันได้เพียงแต่ทรงใช้ตามสถานะของกิเลสตัวนี้ในขณะนั้นว่าเป็นปฏิคติก็คือไปกำหนดอารมณ์แก่ข้างนอกว่าไม่เป็นที่น่าพอใจแต่การกำหนดนั้นบางครั้งเนี่ยเพียงแต่ได้ยินได้พบเห็น เราก็เกิดขึ้นมาได้นะเพราะว่าเราเก็บความรู้สึกไว้มากยันว่าคนคนค น, นี้เราไม่พอใจหลายครั้งหลายคนนะพี่ได้เจอหน้าเขาบางทีเราก็เจอเราเกิดความไม่พอใจต่อได้คือเขาไม่ต้องไปทา้าทายไปแสดงอาการกริยาไม่เหมาะไม่ควรก็เราเพิ่มขึ้นเพราะเราเก็บเชื่อว่ายากมากแล้วพอเห็นหน้าก็เกิดไม่พอใจได้ทันที นี้แสดงเห็นว่าพอต่อจากนั้นในความรู้สึกมันกระจายตัวเองออกไปที่ทรงใช้คําว่าความโกรธที่เกิดจากความโกรธหรือความโกรธที่เกิดขึ้นจากความรักในความรักที่เกิดขึ้นจากความโกรธคือมันจะออกมาต่อไปจิตใจของบุคคลก็วิ่งออกเหมือนเดิมคือไปยินดียินไรในบุคคล ท, ทั้งหลายเจนเราไม่พอใจในายก อ, อยู่ไปเห็นหน้านายกรเราก็ เกิดความไม่ชอบพอดีนายขอมาต่อยนายกเราเกิดชอบนายขอแสดงว่าเป็นความรักที่เกิดจากความโกรธพูดง่ายๆว่ามีศัตรูร่วมกันทำให้เรารู้สึกเราได้พวกแล้วในที่สุดใจมก็แกว่งหรือเป็นอภิชาเป็นโทมนัสเต็มหมายความว่ายินดีในอารมณ์ทั้งหลายและยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลาย ที่จริงยินดีกับความยินร้ายบางเกี่ยวข้องถึงกันให้เราสังเกตวัตถุดเดียวกันนั้นเป็นที่ตั้งของความยินดีก็ได้เป็นที่ตั้งของความยินร้ายก็ได้เช่นอะไรเช่นว่าของชิ้นหนึ่งซึ่งเราหวงเราทนุถนอมมากแล้วคนอื่นก็ช่วยดูแลเอาใจใส่ให้ป้องกันให้เราเกิดยินดีในบุคคลนั้น แต่มีคนหนึ่งมาทำลายของที่เรารักเราเกิดยินไรในบุคคลนั้นใจมันก็แกล้งได้อยู่เรื่อยๆไปในชั้นนี้ท่านก็ส่งสอนให้มองเห็นว่าสิ่งตั้งปวงในโลกนั้นไม่ควรยินดีเพื่อจะบรรเทากามราคะหรือบรรเทากรรมปฏิฆะพูดง่ายๆคือความยินดีกับความยินไรกรมราคะคือความยินดีปฏิฆะคือความยินไร หรือพูดเป็นทีทหนึ่งก็คือความโลภความโกรธนั่นเองโดยมีสติเป็นตัวรู้ทันในขณะนั้นๆมองให้เข้าถึงความจริงตามที่มันเป็นจริงอย่างไรก็มองเห็นจริงอย่างนั้นอาจจะมองในแนวไหนก็ได้ฉันมองมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนอะไร เพียงแต่ว่าเป็นการเกาะกลุ่มของสิ่งทั้งหลายเกิดมาชั่วขระาษหนึ่งและในสุดก็แตกดับไปอย่างที่ทงทรงสอนพระโมคคราชว่ารุกรอนโมคคราชเธอจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างว่างหยาบหยาบเห็นว่างหยาบหยาบแต่จริงๆมันไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งศัตรูเราทรัพย์สมบัติอะไรแต่อะไรจริงๆมันก็ไม่มีจริงๆ เพียงแต่การสมมุติบัญญัติกันชั่วครั้งชั่วคราวพอถึงจุดหนึ่งเราก็พลาดพรากจากไปหรือเราไม่พลาดพลากจากไปสิ่งเหล่านั้นก็พลาดพรากจากเราไปพระสงฆงบอกว่าถอนหน้าตานุติฐิเสียคือถอนความเห็นว่าตนก็เกี่ยวเนื่องโดยตนเสียให้ท่านสาธารณชนทั้งหลายลองสังเกต ด, ดูใจเราเอง เพราะการที่เกิดเป็นความรักความชังเกิดความยินดีความยินร้ายในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเพราะอะไรเพราะมันตนก็เกี่ยวเนื่องด้วยตนาญาติของเราทรัพย์ของเราเพื่อนของเราเลือกสวนไร่นาที่ดินอะไรก็แล้วแต่จะขยายไปของเราเราก็จะเกิดความยิน ด, ดีแต่ในตัวความเป็นของเรานั้นเองถ้าหากว่าใครมาร่วงเกิดมาแล้เมิดมาทําลายเราก็เกิดความยินร้าย แต่ในตัวความยินร้ายนั่นเองแหละมันก็เเกกิิดดอาจจะเกิดความยินดีด้วยความยินร้ายเพิ่มขึ้นมาก็ได้จากตัวอย่างที่ว่ามาแล้วเจนเราไม่ชอบนายกอนายขอมาเป็นตัวตุกันนายกอเราก็ชอบนายขอพอนายขอมาเป็นพวกกันนายกอเราก็เกลียดนายขอยก็ในจุดนั้นแหละมันแตกกิ่งออกไปอีกเป็นความยินดีความยินร้ายได้อีกเพราะอาตจารย์อนิจิตติวิจิตรือว่ามีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนนั้นที่จริงเป็นความเห็นผิด เห็นผิดจากความจริงที่แท้จริงเป็นการมองในแง่ความจริงขั้นสูงสุดแต่อย่าลืมว่าในชั้นของสมมุติบัญญัติท่านก็ยอมรับในแง่ของสมมติบัญญตัติแล้วปฏิบัติตัวในหมอดสมสอดคล้องแก่ความเป็นสมมุติบัญญตัติในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมใจยอมรับความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าจะต้องเกิดขึ้นการที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อวันก่อนว่า ทรงสองในให้มองมันของยืมคือเราเห็นได้ชัดมากของยืมคือของชั่วคราวที่เราอาศัยใช้สอยอยู่ชั่วคราวเราก็รู้ความจริงว่าของนี้เรายืมมาเราก็ใช้ในช่วงยืมเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบดูแลใจใส่ใช้สอยสเปรหารประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในช่วงที่เราครอบครองอยู่แต่พอถึงวันจะคืนเราก็พร้อมที่จะคืน ให้เราสังเกตว่าใจจะไม่โหยหาถึงสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดโศกเพราะสิ่งเหล่านั้นพลัดพรากแกลบไปไปอยู่ในมือคนอื่นคนอื่นก็ไปครอบครองอะไรเป็นตัวแก้คือตัวรู้นั่นเองตัวรู้สถานะที่แท้จริงของสิ่งนั้นว่าไม่ใช่ของเรามาแต่ต้นรู้ไม่ใช่ของเรามาแต่ต้นรู้เป็นของยืมมาแต่ต้น มถึงคราวคืนมันก็คือคืนน่ะแต่ถ้าหากว่ากิเลสมันมากมีความเห็นแก่ตัวจัดไอ้ของยืมนั่นแหละลในสุดเราก็ไปยักยอกเขาคือไม่ยอมรับตามความเป็นจริงและในสุดก็สร้างปัญหายากยอกมันก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกฟ้องถูกร้องอาจจะติดคุกติดตาางไปคือความไม่รู้นี่เป็นตัวสร้างปัญหา ความรู้เป็นตัวแก้ปัญหาตัวสัญญาในที่นี้ก็คือตัวเพิ่มความรู้ยันได้เคยบอกว่าเป็นสัญญาเป็นประกายของปัญญาระดับแรกๆเที่ยมองจากจุดของแสงสว่างถ้าเราเริ่มแสงสว่างขึ้นเรามองในจุดหนึ่งจะเห็นไม่ชัดเช่นตัวอย่างว่าจุดเทียนแล้วก็เห็นไม่ชัดเราก็เพิ่มเทียนขึ้น เพื่อมองให้ชัดไฟฉายนี้แสงมันน้อยไปก็หากระบอกใหม่มาตกลงเพิ่มแสงสว่างแกเริ่มจะแสงสว่างแต่เมื่อมองเห็นไม่ชัดต้องการดูให้ชัดก็เพิ่มแสงสว่างการพิจารณาความจริงของเรื่องทั้งหลายให้เห็นความจริงว่าไม่น่ายินดีนั้นจึงอยู่ที่การพยายามเพิ่มแสงสว่างคือปัญญาเข้าไปในจุดไหนจุดที่ดูอยู่นั่นแหละดูในจุดใดก็ได้ดูในสิ่งใดก็ได้ พอสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนกันทั้งหมดขอให้เราเห็นสักจุดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เห็นในจุดอื่นๆได้เพราะความเสมอกันของสัตว์แต่ของสังขารทาั้งหลายเรื่องนี้อย่างน้อยที่สุดนี่จะคุ้มครองใจบุคคลเอาไว้ไม่ให้เกิดยินดีในสิ่งที่ถือครองอยู่จนเกิดไปโดยการเตรียมใจพร้อมที่จะรับอีกด้านหนึ่งคือการพลาดพลาดสูญเสีย ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนจะ ต, ต้องเกิดขึ้นจะทำให้สามารถหาประโยชน์จากปัจจุบันได้โดยไม่พร่ำเพ้อถึงอดีตมากนักไม่คอยคว้าอนาคตจนสูญเสียความสงบจะได้ความสุขความสงบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป